ลำดับที่แปดเมื่อวันที่ยี่สิห้ากันยายนพุทธศักราช25งพ้าห้าสสองโดยพระคัญชิตคุณวโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวันจังหวัดนครปฐม เ, เจริณพร นะเดี๋ยวเราจะมาสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติกันละนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้โยมนั่งให้ใจสงบนะวิธีการก็คือสูรลมหายใจเข้าช้าช้าลึกๆยาวๆนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนั่งต่อตอนเจริญเมตตาอีกประมาณสักส0บถึงสิ้านาทีเพราะฉะนั้นอาตมาจะขอเปลี่ยนเป็นการยืนก่อนก่นแล้วกันนะเพราะั้นเดี๋ยวให้โยมลึกขึ้นยืนพร้อมกันเลย ลุกขึ้นยืนนะเจร็ญพรอ่านะแล้วก็ยืนตัวตรงทาใจให้สงบสูดลมหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆยาวๆหายใจเข้าสดชื่นเบิกบานมีความสุขหายใจออกสดชื่นเบิกบานมีความสุข หายใจเข้าสดชื่นเบิกบานมีความสุขหายใจออกสดชื่นเบิกบานมีความสุขรู้สึกว่าตรงส่วนไหนมีอาการเกรง็งนะปล่อยให้ผ่อนคลายให้หมดนะปล่อยให้ผ่อนคลายสบายๆหายใจเข้าเหมือนเรายืนอยู่บนยอดเขานะอากาศเย็นสบายหายใจสูดเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไป หายใจออกให้รู้สึกถึงความผ่องใสความเบิกบานความสุขไว้น่ะนะคราวนี้โยมไม่ต้องบังคับลมหายใจปล่อยลมหายใจให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่ให้รู้สึกถึงใจที่ผ่องใสเบิกบานมีความสุขนั่นเอาไว้ตึกลมหายใจ ไม่ต้องไปเร่งแล้วก็อย่ากเกรงอย่าเครียดนะการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเร่งไม่ได้แล้วอย่าไปเครียดอย่าไปเร่งให้มันเกิดภาวะนะเกิด <c oughs> <c oughs> ไม่เกิดไม่เป็นไรทําไปไเรื่อยรู้สึกถึงใจที่ผ่องใสรู้สึกถึงใจที่เป็นสุขรู้สึกถึงความเบิกบานไปไเรื่อยอ่าจะเร่งพอ น ะ, จะเจริญพรคราวนี้เดี๋ยวให้โยมตั้งใจฟังเรื่องราวต่อไปนี้นะเมื่อฟังจบลงจำไว้ว่าไม่คิดถึงเรื่องราวดูภาวะจิตใจของเราแล้วจากนั้นให้ตั้งใจต่อไปนะว่าเรามีความสุขเรามีความสุข <c oughs> เชนตบทเล็กๆในเมืองแห่งหนึ่งมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งฐานะยากจนครอบครัวนี้มีลูกชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าเด็กชายเคลลี่เนื่องจากว่าเด็กชายเคลลี่เกิดในครอบครัวที่ฐานะยากจนเขาจึงต้องเก็บเศษกระดาษและเศษกระป๋องเก่าเอาไปขายเพื่อเป็นเงินค่าขนมไปโรงเรียน อยู่มาในวัวนหนึ่งในฤดูร้อนตอนนั้นเคลลี่อายุได้12ขวบวันนั้นเขาเก็บเศษกระดาษและเศษกระป๋องมาทั้งวันเคลลี่รู้สึกเหนื่อยอ่อนหิวและร้อนมากเขารู้สึกน้อยใจในโชคชะตาของเขาที่ต้องเกิดมายากจนไม่รู้ว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือและทําความดีไปเพื่ออะไรทําไมชีวิตของเขาต้องลําบากอย่างนี้ ในขณะที่เคลลี่นึกอย่างนั้นเขารู้สึกหิวอย่างมากเคลลี่ควักเงินในกระเป๋าหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าในกระเป๋าเขานั้นมีเงินอยู่เพียงแค่แสามสิบห้าเซนเงินสามสิบห้าเซนนั้นไม่เพียงพอแม้แต่จะซื้อนมสักกล่องหนึ่งมาดื่มประทังความหิวแต่ว่าเข้าหิวมากเคลลี่จึงตัดสินใจเดินไปที่บ้านหลังหนึ่งเผื่อว่า เงินสาิห้าเซนนี้พอจะแลกอะไรมากินประทังความหิวได้บ้างหรือไม่ถ้าแลกไม่ได้ก็ต้องขอละเมื่อแคลรี่เคาะประตูบ้านหลังนั้นประตูบ้านหลังนั้นเปิดออกปรากฏว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเปิดประตูออกมาหญิงสาวคนนี้ชื่อว่าแมรี่เคลรี่นั้นพอเห็นหน้าของแมรี่ที่เป็นหญิงสาวตาที่จะเอ่ยขอของกินก็พูดไม่ออก ได้แก่แต่ยืนก้มหน้าเอาเท้าเขียบพื้นด้วยความกระอักกระอวนใจไม่รู้จะขอออกไปยังไงดีแมรี่เห็นท่าทางของเคลลี่เธอรู้ได้ทันทีว่าเด็กกำลังเหนื่อยและหิวท่าทางเด็กแต่งตัวปอนปอนเสื้อผ้าขาดวินแสดงว่าเป็นเด็กยากจนแมรี่ยิ้มให้กับเคลลี่อย่างอ่อนโยนพร้อมกับบอกกับเคลลี่ว่าหนูรออยู่ตรงนี้สักครู่นะจ๊ะ แล้วเธอก็หายไปในบ้านพักใหญ่ได้เดินออกมาพร้อมกับนมเย็นแก้วใหญ่หนึ่งแก้วแมรี่ยื่นนมเย็นแก้วนั้นให้กับแคลรี่แคลรี่เห็นนมเย็นยื่นอยู่ต่อหน้าเขาจึงรับเอานมเย็นแก้วนั้นมาดื่มกินอย่างอริ่อร่อยรวดเดียยหมดแก้วเสร็จแล้วเขาก็ควักเงินที่มีอยู่สาสิบ้าเซนนั้นยื่นออกให้กับแมรี่ แมรี่เห็นท่าทางของหนูน้อยเคลลี่เธอก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนพร้อมกับบอกกับเคลลี่ว่าหนูเก็บเงินของหนูไว้เถอะจ้ะนมเย็นแก้วเนี้ยฉันให้หนูเพราะคุณพ่อคุณแม่สอนฉันไว้ว่าการให้นั้นไม่ควรหวังผลตอบแทนเคลลี่รู้สึกประทับใจ น, น้ำใจของแมรี่ที่มีต่อเขาทั้งๆที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่แมรี่ กลับมีน้ำใจกับเขาด้วยมิตรต่จิตมิตรแ่ใจด้วยความอ่อนโยนเขารู้สึกประทับใจในสิ่งที่แมรี่ให้กับเขามากทําให้เขาตั้งใจว่าเขาจะต้องศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสําเร็จเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นอย่างที่เขาได้รับจากแมรี่การให้นมเย็นแก้วนั้นของแมรี่ไม่ใช่ให้เพียงแค่นมเย็นประทําความหิวกับเคลลี่เท่านั้น แต่กลับให้กำลังใจอันยิ่งใหญ่กับเคลลี่ให้แรงบันดาลใจกับเคลลี่ทำให้เขามุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจังจนกระทั่งเขาประสบความสำเร็จซึ่งแมรี่นั้นก็อาศัยอยู่ที่เมืองเล็กๆแห่งนั้นต่อมาอีกประมาณ40ปีเธอก็ปมดเกษียณเมื่ออายุมากขึ้นเธอเริ่มเจ็บป่วยอ่อๆแอะแแมรี่ก็ไปรับการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลในเมืองเล็กๆแห่งนั้นอยู่หลายครั้งจนในกระทั่งในครั้งสุดท้ายนั้นหมอได้แจ้งกับเธอว่าผลตรวจออกมาเธอเป็นโรคร้ายซึ่งถ้าเธอไม่รับการรักษาอย่างทันทีเธออาจจะต้องเสียชีวิตภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีแต่การรักษานั้นต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องไปรักษาที่ศูนย์การแพทย์ซึ่งค่าใช้ใจ่ายนั้นค่อนข้างเยอะ แมรี่ทำงานมาทั้งชีวิตเธอมีเงินเก็บอยู่ประมาณหนึ่งแสนเหรียญกลับบ้านหลังเล็กๆที่เป็นมรดกตกทอดจากคุณพ่อคุณแม่ของเธอแมรี่ตัดสินใจเอาบ้านไปจำนองได้เงินมาอีกสองแสนเหรียญรวมกับเงินเก็บของเธอเป็นสามแสนเหรียญแล้วเธอก็เดินทางไปที่ศูนย์การแพทย์เพื่อรับการรักษาเมื่อไปถึงศูนย์การแพทย์เธอพบได้พบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคร้ายที่เธอเป็น ชื่อว่าดออ็ออฮเวิร์ตแว้บแรกที่เห็นด็ออรฮเวิร์ตเธอรู้สึกสัมผัสได้ถึงรอยยิ้มและความอบอ่ำอารีที่มีต่อทุกทุกคนเธอรู้สึกว่าคุณหมอท่านนี้มีจิตใจดีงามเหลือเกินเมื่อแมรี่เล่าอาการป่วยของเธอให้กับดรอตอโฮเวิร์ตฟังจบลงดออ็ออฮเวิร์ต มองเธอด้วยแววตาที่มุ่งมั่นจริงจังยิ้มแล้วก็กุมมือของเธอพร้อมกับบอกกับเธอว่าคุณต้องหายขาดจากโรคนี้ผมสัญญาผมจะรักษาคุณให้หายขาดจากโรคนี้ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะเพียงแค่นี้แมรี่ก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาเธอรู้สึกว่าเธอโชคดีมากที่ได้พบกับคุณหมอที่มีความมุ่งมั่น ในการที่จะเอาใจใส่ดูแลเธออย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างที่เธอคิดจริงๆในขณะที่เธออยู่รับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์แห่งนั้นวันไหนโรคร้ายกำเริบเธอมีอาการเจ็บปวดถ้าด็ตอรฮาเวิร์อยู่ด้วยเขาก็จะคอยพูดปลอบโยนเธอให้คลายจากความเจ็บปวดบางครั้งเธอรู้สึกท้อแท้กับการรักษาดร์ฮาเวิร์ก็จะคอยพูดให้กาลังใจ ให้เธอต่อสู้ต่อไปแม้บางครั้งก็ออกจากเวรก็ยังอุตส่าห์มีน้ำใจซื้อของเล็กๆน้อยๆมาฝากเธอชวนเธอคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เธอฟังทําให้เธอไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเลยตลอดระยะเวลาที่รับการรักษาอยู่ที่ศูนย์การแพทย์แห่งนั้นเธอรู้สึกว่าเธอโชคดีมากที่ได้พบกับคุณหมอที่มีน้ำใจดีงามเช่นนี้ดอร์ฮาเวิร์ดกับแมรี่ ร่วมกันต่อสู้กับโรคร้ายอยู่ประมาณปีเศษโรคร้ายของแมรี่จึงหายขาดเร็ววันที่เธอจะต้องออกจากโรงพยาบาลก็มาถึงในวันนั้นแมรี่รู้สึกเป็นกังวลอย่างมากว่าเงินที่เธอเตรียมมาสามแสนเหรีย น, นั้นจะพอกับค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ในวันนั้นพยาบาลได้เข้ามาที่ห้องของเธอยิ้มพร้อมแสดงความยินดีที่เธอหายขาดจากโรคและจะได้ออกจากศูนย์การแพทย์ละ พร้อมกับยื่นเอกสารปึกหนึ่งให้กับเธอแมรี่รับเอกสารปึกนั้นมาอ่านดูเพียงแค่อ่านแค่ใบปะหน้าเท่านั้นแมรี่ถึงกับหมดแรงทรุดนั่งลงบนพื้นเตียงเพราะค่ารักษาพยาบาลที่สรุปยอดรวมในใบปะหน้านั้นเป็นเงินรวมทั้งหมดถึงห้าแสนเหรียญแมรี่รู้สึกกลุ่มใจอย่างมากกังวลใจอย่างมากเธอทำงานมาทั้งชีวิต ยังมีเงินเก็บแค่แสนเหรียญเท่านั้นเองเอาบ้านไปจำนองแล้วได้เงินมาแค่สองแสนแล้วนี่ในวัยหกสิบกว่าเธอเป็นนี้อีกตั้งสองแสนเหรียญเธอจะไปหาเงินมาจากที่ไหนมาจ่ายให้ศูนย์การแพทย์เนี่แม้จะรู้สึกเป็นทุกข์อย่างมากเธอพยายามอ่านเอกสารทูกหน้าอย่างละเอียดเผื่อว่าทางศูนย์การแพทย์จะมีส่วนลดให้กับเธอหรืออาจจะคิดเงินผิดก็ได้แล้วเธอพบว่า ศูนย์การแพทย์แห่งนั้นได้ลดค่าใช้จ่ายให้เธอแล้วถึง 25% ค่าใช้จ่ายจริงๆมันเป็นเงินถสสึง 600,000 เหรียญแต่แม้กระนั้นเธอก็ยงังไม่มีเงินพอจ่ายอยู่ดีเธอจะทำยังไงกับหนี้ที่มีอยู่ณขณะ น, นี้แมรี่คิดไม่ออกอา่าวคราวนี้ให้โยมนั่งลงได้นะอา้าวเธอจะทำอย่างไร กับนี่ที่มีอยู่ตั้งมากมายขนาดนี้นะนั่งลงแล้วก็นั่งขัดสมาธินะแล้วก็หลับตานะแม่ริจึงตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นค่าใช้จ่ายอะไรที่พอตัดออกได้เธอจะตัดออกและเธอจะไม่เอายาไปกินที่บ้านก็ได้อย่างน้อยถ้าลดค่าใช้จ่ายได้อีกสักหมื่นสองหมื่นเหรียญก็ยังดีแม่ริจึงอ่านในเอกสารทุกหน้าอย่างละเอียด แ้วเธอก็มาสะดุดเอาซองเอกสารที่อยู่ในหน้าสุดท้ายซึ่งเธอไม่ได้เปิดออกอ่านในตอนแรกเมื่อแมรี่เปิดเอกสารนั้นออกอา่านดูเธอก็ต้องแปลกใจเพราะว่าเอกสารที่อยู่ในซองนั้นเป็นใบเสร็จรับเงินแมรี่รู้สึกแปลกใจมากเธอยังไม่ได้จ่ายเงินแล้วใบเสร็จรับเงินออกมาได้อย่างไร ถ้ามีใบเสร็จรับเงินออกมาแล้วแสดงว่าต้องมีการจ่ายเงินแล้วสิแต่แท้่ใครจะมาจ่ายเงินตั้งมากมายมหาศาลขนาดนี้ให้กับเธอและที่ศูนย์การแพทย์แห่งนี้เธอก็ไม่ได้รู้จักใครแม้จะแปลกใจมากเธอจึงอ่านในใบเสร็จรับเงินอย่างละเอียดแลวเธอก็พบว่าที่ช่องผู้จ่ายเงินนั้นมีข้อความเล็กๆ เ, เขียนเอาไว้ว่า รักษาพยาบาลทั้งหมดได้จ่ายหมดแล้วด้วยนมหนึ่งแก้วลงชื่อด็อเตอร์โฮเวิร์ดเคลลี่แมรี่อ่านได้เพียงแค่นั้นภาพของหนูน้อยวัยสิบสองขวบเงือออกทรงกายในฤดูร้อนวันหนึ่งก็ผุดขึ้น ในความคิดของเธอภาพตอนแรกที่เธอได้พบกับดรอตอโฮเวิร์ดความเอาใจใส่การดูแลการปลอบโยนการให้กำลังใจที่ดรอตอโฮเวิร์ดมีต่อเธอตลอดหนึ่งปีนั้นก็ผุดขึ้นมาในใจของเธอเธอนึกได้เพียงแค่นั้นก็มีน้ำใสๆค่อยๆเอ่อล้นออกมาจากในตาของเธอด้วยความปปับลืม ในสิ่งที่หนูน้อยเคลี่ได้มอบตอบแทนให้กับเธอให้รู้สึกเป็นความรู้สึกสุด ความรู้สึกดีงามในจิตใจของโยมไว้นะจากนั้นตั้งใจไว้เรามีความสุขเรามีความสุขรู้สึกถึงความผ่องใสความดีงามความอิ่มเอในจิตใจนั้นไว้ จังภาวะนั้นให้แม่นยำนะตั้งใจไว้เรามีความสุขเรามีความสุขเรามีความสุข ครั้งนี้ให้ยมยิ้มออกมาอย่างมีความสุขด้วยยิ้มออกมาเลยนะแล้วรู้สึกถึงความสุขในใจของเราไว้ให้ยิ้มอย่างมีความสุขล้วยิ้มอย่างนั้นไปเรื่อยๆรู้สึกถึงความสุขความดีงามในใจของเราตั้งใจไว้เรามีความสุขยิ้มอย่างมีความสุข รู้สึกถึงความผ่องใสความสุขความอิ่มใจนั้นไว้ ความสุขเหมือนแสงสว่างให้โยมรู้สึกถึงแสงสว่างแห่งความสุขในใจของโยมเอิบอาบอยู่ทั่วร่างกายรู้สึกถึงแสงสว่างแห่งความสุขในศีรษะของโยมรู้สึกถึงความสุขที่เต็มเปี่ยมอยู่ในจิตใจและเอืบอาบอยู่ทั่วร่างกายของเรารู้สึกถึงแสงสว่างแห่งความสุขแผ่อยู่ทั่วร่างกายของเรา ตั้งใจไว้เรามีความสุขเรามีความสุขเรามีความสุข ใจเข้าเรามีความสุขหายใจให้ออกเรามีความสุขส่วนลมหายใจเข้าออกช้าๆเล็กๆยาวๆรู้สึกถึงความสุขความปลองใจในจิตใจไว้ทุกลมหายใจเข้าออก จะเพียงพ อ, อเป็นยังไงเอ่ยพอได้ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นภาวะเมตตาเป็นเรื่องของภาวะจิตนะไม่ใช่เรื่องของการนึกหรือคาพูดนะเป็นเรื่องของภาวะที่เป็นอย่างนั้นนะในขณะที่โยมรู้สึกมีความสุขและตั้งใจไปเรื่อยๆรู้สึกใจที่มันพองใสอิ่มเอิบตั้งใจว่าเรามีความสุขอย่างนั้นไปเรื่อยๆนั่นแหละโยมกาลังแผ่เมตตาให้ตัวของโยมเอง ฝากไว้นะกลับไปฝึกไวเป็นประจำนะกลับไปฝึกไปเป็นประจำทำเมื่อไหร่จิตใจยอมผ่องใสเมื่อนั้นนะความสุขไม่ได้หาได้ยากหรอกแล้วมันจำเป็นต้องมีวัตถุด้วยนะอยู่ที่การฝึกของเราคนที่ฝึกได้ดีอยากมีความสุขขึ้นมาเมื่อไหร่เขาสามารถปรุงขึ้นมาได้เมื่อนั้นเลยขอบเขตนี้ยังอยู่ในขอบเขตของฝ่ายสมถกรรมฐานนะเป็นขั้นที่ทาให้เกิดจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมเป็นจิตใจที่มีสมัพนะสมถะ ต, ตั้งมั่นยังอยู่ในขอบเขตของฝ่ายสมถะแต่ว่าก็เป็นขอบเขตที่โยมควรต้องฝึกไว้เป็นประจำเช่นเดียวกัน น, นการฝึกนั้นโยมอาจจะไม่ต้องมานั่งอย่างนี้ก็ได้โยมเดินไปที่ไหนให้ตั้งใจรู้สึกว่าเรามีความสุขไว้มองไปที่ไหนหรือว่าเราจะพูดคุยกับใครเจอหน้าใครก็ตั้งใจไว้นะเอาละ่ะเขามีความสุขนะไม่ใช่ไปเรียกร้องให้เขามีความสุข แต่เป็นความรู้สึกในใจของเราที่แผ่ออกไปให้กับเขาอาการที่เราแผ่ออกไปเราตั้งใจอย่างนี้เราเรียกว่าการแผ่ไม่ตาออกไปซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนในอาทิตย์หน้านอาทิตย์นี้ก็เอาเรื่องของการแผ่ไม่ตายให้ตัวเองให้ได้เสก่อนฝากเอากลับไปทำที่บ้า น, นอย่างน้อยทำให้ได้ทุกวั น, นตอนเช้าเราอยากให้วันนี้เป็นวันแห่งความดีงามวันแห่งความสุขไหม ถ้าอยากให้เป็นวันแห่งความดีงามวันแห่งความสุขเดี๋ยเริ่มต้นตื่นขึข้นมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วแผ่เมตต ก, ก่อนสักห้าหรือสิบนาทีแล้วก็ตั้งใจว่าอย่างนี้ไปให้ได้ทั้งวันก่อนนอนนึกถึงสิ่งที่ดีงามที่เราได้ทําในวันนี้แล้วจากนั้นก็มาตั้งใจแผ่เมตตาให้ตัวเองเออเราได้ทําความดีงามนะเราได้ทาสิ่งที่ดีดีละเนี่ยคือความสุขความดีงามในชีวิตแต่ตั้งใจว่าเรามีความสุขนะจิตใจเราดีงามผ่องใสก็แผ่เมตตาให้ตัวเองอย่างนี้ไปเรื่อย สักสิบถึงสิบ้านาทีก่อนนอนแล้วยมนอนหลับในยมจะนอนหลับอย่างเป็นสุขตื่นขึ้นมาก็จะสดชืด่นอ่ามีคําถามไหมวันนี้ไม่มีนะเพราะว่ายมได้เจริญในฝ่ายของเดินจงกรมกับการนั่งสมาธินั้นมาได้สักสองสามอาทิตย์แล้วยังจะให้เริ่มต้นในเรื่องของการแผ่เมตตาเพราะฉะนั้นหลังจากปฏิบัติกรรมฐานเสร็จทุกครั้งให้ยมแผ่เมตตาอย่างนี้ทุกครั้งอย่างน้อยประมาณสิบนาทีนะห้าถึงสิบนาทีเป็นอย่างน้อย ถ้าให้ดีก็คือสักสิบห้านาทีหรือถ้าวันไหนโยมนั่งแล้วยอมรู้สึกไม่สงบให้โยมแผ่เมตตาแบบนี้ก่อนปกติเมื่อความสุขเกิดขึ้นใจมันจะสงบดีดจากนั้นโยมก็ค่อยปฏิบัติกรรมาฐานหลักของโยมจะเป็นสมถกรรมาฐานก็ตามวิปัสสนากรรมาฐานก็ตามนัม่นจะทําให้การปฏิบัติกรรมาฐานของโยมนั้นทําได้ดีมากขึ้นเพราะาจิตมันจะสงบได้ง่ายเมื่อจิตใจของเรามีความสุขอ่าฝากไว้นะในเรื่องของการปฏิบัติ มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนไหมจเจริญพรเออกับผมฟังเรื่องราวแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับบินไปในเรื่องแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าบีบหัวใ จ, จเจริญพรแล้วก็น้ําตาไหลจเจริญพรก็รู้สึกแค่ๆสงสารแบบนั้นนะฮ ะ, จะเจริญพร แต่ตรงที่จะให้มีความรู้สึกว่ามีความสุขผมยังไม่เข้าใจครับเดี๋ยต้องถามนิดหนึ่งอาการที่มันบีบเ น, นีนั้นจนกระทั่งน้ําตาไหลนั้นมันรู้สึกเต็มอยู่ในใจมันรู้สึกอิ่มอยู่ในใจใช่ไหมครับอาการอย่างนั้นรเราเรียกว่าอาการของปีติและในขณะที่เกิดอาการอย่างนั้นนัในขณะความสุขมันมีอยู่ยมลองสังเกตหลังจากที่ยมเกิดอาการตื้นตันแบบนั้นมันลดลงแล้วยมรู้สึกยังไงปลอดโปรง่งโล่งไหมโล่งครับผ่องใสไหม ตรงนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจครับรู้สึกว่ามันใจมันแค่ๆว่าเรื่องมันยังติกอยู่แล้วก็จเจริญพรแล้วก็ถ้าอย่างไรไปกับสงสารแล้วกออ็ดีคุณความดีอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ยังวนดวนอยู่ตรงนี้อ่าเจริญพรเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไว้ดูให้ปสภาพจิตใจของเราแต่อันนี้โยมอาจจะอ่าไปติดอยู่กับนิดเรื่องของตัวปิติยศขึ้นไปนิดหนึ่งอันนั้นไม่เป็นไร จริงๆถ้าโยมนั่งต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทิ้งเรื่องราวอย่างที่อาตมาบอกะเดี๋ยวใจมันจะเริ่มผองขึ้นมาแล้วมันจะเริ่มอิ่มเริ่มมีความสุขขึ้นมาเองอาการอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอาการของปิติเวลาเราประทับใจอะไรมากๆมันก็จะมีอาการเหมือนกับมันมันบีบอยู่ในใจแต่จริงๆมันไม่ใช่บีบเราเรียกว่าอาการตื่นตันใช่ไหมเราเรียกอาการตื่นตันอาการพร้อมๆกับอาการปิติหรืออาการตื่นตันมันมีความสุขอยู่ด้วยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปิติมันเป็นตัวเด่นขึ้นมา มันก็เลยบดบังทําให้เราสังเกตความสุขไม่ชัดแต่เมื่ออาการปิติหายไปแล้วเดี๋ยวความสุขจะเริ่มชัดเจนขึ้นมาเองนะจเจเรนพอรอ้าไม่มีคําถามอะไรน ะ, จะเจรรนพรท่านฝากโยมไปปฏิบัติต่อนะท่า น, นวันนี้เราจะมาคุยกันต่อคงมีเวลาอยู่อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็คือในเรื่องของทานนะเรื่องของการให้ทานต่อ คราวที่แล้วนั้นอาตมาได้เล่าให้ฟังในเรื่องของเจตนาการให้ทานยังคงพอจํากันได้นะว่าเจตนาการให้ทานที่แตกต่างกันนั้นอานิสงส์หรือผลที่ได้ก็แตกต่างกันวันนี้อาตมาจะเอาเรื่องของเจตนาการให้ทานนั้นที่แตกต่างกันอีกแง่มุมหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในทานสูตรมาเล่าให้ฟังต่อในอีกประสูนย์หนึ่งคือในทานสูตรพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้ว่า บุคคลเมื่อจะให้ทานหรือให้สิ่งของต่อผู้อื่นนั้นอาจจะมีเหตุแห่งการให้อยู่แปดอย่างด้วยกันอามีอะไรบ้างหนึ่งให้เพราะหวังจะได้ของจากเขาเป็นยงไงเอ่ยให้ให้เพราะหวังจะได้ของจากเขาอย่างคนที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานขายหรือเซลล์เวลาไปติดต่อลูกค้าเป็นไงต้องมีของติดไม้ติดมือไปฝากใช่ไหมเพื่อที่เขาจะได้ซื้อของจากเขา อันนี้เราเรียกว่าให้เพราะหวังได้จากเขาหรือให้เพราะหวังของจากเขานะอันนี้เราเรียกว่าให้เพราะหวังได้นะหรืออย่างที่สองให้เพราะกลัวนะให้เพราะกลัวนี้บางทีวันเกิดเจ้าหน่ายหม่ต้องซื้อของแพงๆไปค้างกลัวว่าเดี๋ยวของไม่ถูกใจแล้วจะแตกขันอะไรทำนองนี้นะหรือมีคนมาบีบบังคับ ทำให้เราต้องให้เขายกตัวอย่างอย่างเช่นโจรมาปล้นในโยมต้องให้ไหมให้เพราะกลัวเขาทําร้ายใช่ไหมเพราะเขาขู่อันนี้เราเรียกว่าให้เพราะกลัวอย่างที่สามให้เพราะว่านึกว่าเขาให้แก่เราแล้วอย่างเช่นบางทีวันปีใหม่มีคนเอาของมาให้ไหมต้องเอาไปให้เขาความรู้สึกอย่างนี้มันกลายเป็นภาระใช่ไหม อันนี้ก็คือให้เพราะนึกว่าเขาน่ะให้ของกับเราเราก็เลยต้องให้ตอบแทนเขานะประการที่สี่ให้เพราะนึกว่าเขาจะให้ตอบแทนแก่เรานะให้เพราะนึกว่าเขาจะให้ตอบแทนแก่เราก็คือเพราะเราหวังของจากเขานั่นเองนะสี่ประการนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องของความโลภความโกรธความหลงเป็นแรงผลักดันให้เราให้ เพราะฉะนั้นการให้ในสีอย่างแรกนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการให้ที่ยังไม่ผ่องใสามากเท่าที่ควรมันมีพวกกิเลสเป็นแรงผลักดันแม้เป็นทานแต่อานิสงส์โยมลองสังเกตในใจของเราให้แล้วมันไม่ค่อยผ่องใสจิตใจมันจะไม่ผ่องใสาอาจจะเรียกว่าเป็นมุนเป็นกุศลน้อยในขณะที่เราอยากได้จากเขาเนี่ยพอคิดว่าไอตอนให้เนี่ย ขอไปตอนให้น่าอาจจะมีจาคะนะแต่พอวันนึกว่าอยากจะได้ของจากขาวนี่กลายเป็นโลภะนะวิวพราะกลัวกลัวนี่ก็เป็นอาการทางฝ่ายหนึ่งของพวกโทสัตนะอาการที่พิตกกังวลมากลัวกลัวว่าจะไม่ไดนะ้อีกประการหนึ่งประการที่ห้าให้เพราะเห็นว่าการให้นั้นเป็นการทําสิ่งที่ดีงามอันนี้จะซ้ํากับหัวข้อเดิมที่อาตมาได้กล่าวถึงแล้วนะ ให้เพราะเห็นว่าการให้นั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นการทําคุณงามความดีเวลาเราให้ออกไปแบบนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตใจเราจะปลอบโปรง่งใช่ไหมจะผ่องใสามากกว่ามากกว่าสี่อย่างแรกการให้ในลักษณะอย่างนี้ถ้าเทียบกับสภาพจิตแล้วคือเทวดาชั้นไหนเอ่ยจาได้ไหมข่าวที่แล้วดาวดึงใช่ยไหมตาวติงสาแต่ในที่นี้บอกนะอย่าไปให้แล้วเพราะเพราะว่าอยากจะไปเกิดใ น, นชั้นตาวติงสานะ อย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นความโลภไปอีกนะให้เรารู้สึกว่าเออเราได้ทำคุณงามความดีนะการที่เราให้เราแบ่งปันี่คือการทำสิ่งที่ดีงามดีและมีความภูมิใจมีความอิม่มใจในการทำความดีงามอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าอันนี้คือประการที่ห้านะให้เพราะเป็นการทำดีประการที่หกให้เพราะพิจารณาเห็นว่าสมณะเหล่านี้ไม่สามารถหุงหาอาหารกินเองได้ท่านเหล่านี้ไม่สามารถไปทํามหากิตเองได้ เนื่องจากว่ามีข้อบังคับหรือมีวินัยบังคับอยูนะ่ท่านเหล่านี้ประกอบคุณงามความดีเพราะฉะนั้นเราพึงสนับสนุนเราพึงให้ท่านเหล่านี้อันนี้คือให้ด้วยพิจารณาด้วยปัญญานะอันนี้ก็สามขอไม่กล่าวรายละเอียดประการที่เจ็ดให้เพราะเห็นว่าการให้นั้นเป็นสิ่งที่ดีเมื่อให้แล้วกิติศัพท์อันงามย่อมขอจรกระจายไปนะในที่นี้ไม่ใช่ให้เพราะว่าอยากได้ชื่อเสียงนะ แต่ให้เพราะว่ารู้สึกว่าการให้นั้นเป็นสิ่งที่ดีและการเนื่องจากการให้เป็นสิ่งที่ดีเมื่อมีคนรู้ข่าวในเรื่องของการให้มีคนเสียสละแบ่งปันอย่างนี้แล้วย่อมอยากทําคุณงามความดีมากยิ่งขึ้นย่อมอยากจะให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะได้มีชื่อเสียงเราจะได้เป็นชื่อว่าเป็นผู้ที่บริจาคมากหรือทําความดีมากไม่ได้มองในลักษณะอย่างนั้นนะประการที่แปดให้เพื่อเป็นเครื่องปรุงจิต ในที่นี้ก็คือโดยภาวะจิตนั้นมีแต่คิดช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันนี่คือการให้อีกแปดอย่างการให้อีกแปดอย่างเสริมจากคราวที่แล้วที่อาตมาได้กล่าวถึงว่าในการให้แปดอย่างนี้สี่อย่างแรกอันนี้สงน้อยนะเพราะมันเจือไว้ด้วยตัวกิเลสเจือไว้ด้วยความอยากได้เจือไว้ด้วยโทสะเจือไว้ด้วยโมหะสีอย่างหลังเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ยงพึงพิจารณาให้มากในแง่ของการให้และพึงให้ด้วยจิตใจรักษาอย่างนั้นให้มากอ่ามีคาถามไหมอันนี้คิดว่าซ้าเจอคาวที่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะในที่นี้เอามาเล่าให้ฟังนะก็คล้ายๆกันนะท่านบอกว่าทานวัตถุนะอันนี้มาในทานวัตถุสูตรนะบุคคลผู้ให้นีอาจจะให้เพราะหนึ่งให้เพราะชอบพอกันเพราะมีความเสน่หาชอบพอกันจึงให้ อันนี้เราเรียกว่าให้เพราะชอบพอกันอย่างที่สองให้เพราะโกรธนะยกตัวอย่างเช่นมีคนมาขออยู่นั่นแหละ อ, อ๋อไปไปซะนี่ก็ให้เพราะโกรธใช่ไหมรำคาญมันจริงให้ไปอันนี้แทนที่ของก็เสียไปแล้วแต่แทนที่จิตใจจะดีงามกลับขาดทุนนะอาการอย่างนี้เราเรียกว่าให้เพราะโกรธนะเมื่อกี้ในในประศูธย์เมื่อกี้ที่อาตมาพูดถึงตอนแรกนี่คือให้เพราะกลัวใช่ไหมแต่ทีนี้คือให้เพราะโกรธ อย่างที่สามให้พระหลงถูกเขาหลอกเนี่ยโอ้ให้นะเดี๋ยวจะได้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะะเอาแม่น้ําทั้งห้ามาชักจูงนะโยมอาจจะเห็นบ่อยในสังคมไทยในขณะนี้นะโอ้ให้นะจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ให้เท่านี้ได้สวรรค์ชั้นนั้นนะบริจาคเท่านี้ได้สวรรค์ชั้นนี้ได้เป็นอริยะบุคคลเลยนะถ้าบริจาคเป็นสิบล้านขึ้นไปนะแล้วไปหลงเชื่อนะอันนี้คือให้พระหลงล้วนะไม่ได้เห็นความจริง ไม่เห็นได้เห็นถึงอันนี้สองจริงๆไม่เห็นถึงสภาพจิตใจที่จริงๆที่เกิดขึ้นและความดีงามที่เกิดขึ้นจริงๆไปหลงคำโฆษณาไปหลงคําชื่ออนี้เราเรียกว่าให้พ่อหลงหรือโดนเขาหลอกเราก็เลยปล่อยให้ไปกับเขาอย่างนี้เป็นต้นประการที่สี่ให้เพราะกลัวอันนี้ก็ซ้ำนะประการที่ห้าให้เพราะปู่ย่าตายายเราเคยได้ทํามา เพราะฉะนั้นไม่อยากจะให้สีสิ่งที่ดีงามเหล่านี้เราจึงมีการให้การแบ่งปันเหมือนอย่างที่บรรพบุรุษเราเคยทามาถ้าอย่างนี้คำนึงถึงสังคมใช่ไหอยากรักษาความดีงามนะการให้ตั้งแต่อันดับที่ห้านี้เป็นต้นไปจะเป็นการให้ในทางที่ดีงามลนะมันสี่อย่างแรกนั้นอย่าไปทำสีนะ่อย่างหลังนี้ควรทาให้มากนะเอามีอะไรบ้างนะหนึ่งให้เพราะต้องการรักษาความดีงามเช่นวัฒนธรรมประเพณี สิ่งที่ดีงามที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเราเคยได้ทํามาสิ่งที่ดีงามเหล่านี้จะได้อยู่ต่อไปในสังคมั น, นการให้นี้ไม่ใช่มองว่าตัวเองได้อะไรแต่มองถึงว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมอันนี้เป็นการให้ถ้าเป็นการให้ในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ในทางที่ดีประการที่หกนะให้เพราะตายไปจะได้ไปสวรรค์ประการที่เจ็ดให้เพราะ คำหนึงว่าเมื่อให้นั้นจิตใจย่อมเลื่อมสายจิตใจย่อมเกิดความปราบรื้มปิติเมื่อเราได้ให้มันบุคคลประเภทนี้เวลาให้เสร็จปุ๊บใจก็จะผ่องใสอิ่มเ อ, อิบเบิกบานสบายใจเขารู้สึกว่าเขาสบายใจรู้สึกเลื่อมสายอิ่มเ อ, อิบเบิกบานอย่างนั้นเขาจึงให้อันนี้เป็นการที่ดนะีและประการที่8ให้เพื่อเป็นเครื่องประดับปรุงแต่งจิตนะก็หมายถึงบุคคลที่มีจิตใจคิดเสียสารละคิดให้อยู่ตลอดเวลา เขาจึงให้ออกไปอันนี้ก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่งแต่จะเห็นว่าซ้ําๆกันละนะนะซ้ําๆกันแต่จะมีแง่มุมปลีกย่อยบาง แ, แง่มุมเท่านั้นที่แตกต่างกันเพราะฉั้นถ้าโดยสรุปในเรื่องของการให้ทานพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในสัพบุริสทถานสูตรในสัพพุริสสูตรนั้นท่านว่าด้วยสัพบุริสถานคือการให้ของสัตว์ปรุษนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างในเรื่องของการให้ทาน จริงๆก็เป็นการสรุปสิ่งที่อาตมาได้กล่าวถึงมาอธิบายมาเสียยืดยาวมาสองสามอาทิตย์แล้วนะอา้าวในแง่ของสัตยบุุษให้อย่างไรนะอย่างแรกนะอย่างแรกนี่คานึงถึงเครื่องไตยธรรมนะจำได้นะเรื่องเครื่องทตรยธรรมที่อาตมาได้บอกเอาไว้ท่านบอกว่าหนึ่งให้ของที่สะอาดนะเมื่อเราจะให้อะไรกับใครให้ของที่สะอาดสองให้ของที่ปราณีต เมื่อจะให้ไม่ใช่เอาของเหลือเด่นไปให้กับเขาใช่ไหมเราตั้งใจประรถนาดีกับเขาเออของอะไรดีเขาจะได้เอาไปใช้ประโยชน์จึงให้ของที่สะอาดและให้ของที่ปราณีตสามให้ตามการให้ตามการในที่นี้ก็คือให้เมื่อถึงเวลาเหมาะสมที่จะให้หรือเมื่อเป็นเวลาที่เขาจะต้องใช้หรือเขาเดือดร้อนเขามีความจําเป็นต้องใช้จึงให้ ถ้าให้ตามการอย่างนี้ท่านเรียกว่ามีอ น, นิสงฆ์มากใช่ั้ยผู้รับรับไปแล้วจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์เกื้อกูลในทางที่ดีงามได้อันนี้เราเรียกว่าให้ตามการและประการที่สี่ให้ของที่สมควรให้ของที่สมควรในที่นี้ก็คือให้ของที่เหมาะสมกับผู้รับผู้รับเมื่อได้รับไปแล้วย่อมเอาไปสร้างสารรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เกื้อกูลสิ่งที่ดีงามได้มากสี่อย่างแรกนี้ เราเรียกว่าเป็นเรื่องของของที่จะให้งนั้นการให้ในทางพระพุทธศาสนาท่านถึงบอกว่าต้องใช้ปัญญาพิจารณานะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นคืออานิสงส์นั้นจึงจะเกิดขึ้นมากทั้งต่อตัวเราเองต่อผู้อื่นนละต่อสังคมโดยส่วนรวมอา้าวถัดจากนั้นประการที่ห้าเป็นเรื่องของบุคคลนะบุคคลผู้รับในประการที่ห้าในสัพปริสตานสูตรนี้ท่านบอกว่ารู้จักเลือกให้ เลือกให้ในที่นี้ก็คือเลือกผู้รับนั่นเองโดยเฉพาะผู้รับที่มีกิเลสเบาบางมีโลภโทสะโมหะน้อยหรือปราศจากกิเลสให้กับบุคคลเหล่านี้หรือบุคคลผู้กระทำคุณงามความดีต่อสังคมโดยส่วนรวมเราเรียกว่าเลือกให้ไม่ใช่ให้ไปพร่ำเพรื่อโดยที่ไม่ได้คำนึงไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะกลายเป็นการสนับสนุนคนที่ไม่ดีทำให้เขาทําสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นก็ได้ประการที่หก ให้เนืองนิดก็หมายถึงให้บ่อยๆะให้บ่อยๆทําบ่อยๆมีการเสียสละบ่อยๆในที่นี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตของเราทําให้เรามีความเคยชินกับการที่เราได้สละมีความสุขกับการให้และการช่วยเหลือจิตใจเราจะผ่องใสดีงามอยู่ตลอดใช่ไหมประการที่เจ็บเมื่อให้จิตผ่องใสนั้นเมื่อได้ให้ไปแล้วไม่นึกเสียดายของแต่รู้สึกภาพภูมิใจรู้สึกอิ่มใจนะ ในขณะที่เราให้นั้นจิตพองใสว่าเราได้ทำคุณงามความดีนี่เราเรียกว่าเมื่อให้จิตผ่องใสอันนี้มาคำนึงถึงอะไรเอ่ย ต, ะนะตัวผู้ให้นะตัวผู้ให้นะตัวผู้ให้ก็คือให้หนึงนิดเมื่อให้จิตพองใสและประการสุดท้ายประการที่แปดให้ไปแล้วย่อมรู้สึกดีใจดีใจว่าเราได้ทำคุณงามความดีดีใจว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีงาม มันนึกถึงขึ้นมาแล้วเราก็มีความภูมิใจมีความอิ่มใจเออวันนี้เราได้ทําคุณงามความดีหรือเมื่อวานนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้ทําสิ่งที่ดีงามทําคุณงามความดีนึกขึ้นมาอย่างนี้ก็ดีใจว่าเราได้ทําคุณงามความดีจิตใจผ่องใสมีความอิ่มใจอย่างนี้เป็นต้นนี่คือลักษณะแปดอย่างของการให้แบบสัตบุรุษพอมองเห็นความเชื่อมโยงไหมถ้าจะแบ่งอย่างง่ายๆก็หนึ่งของใช่ไหมเครื่องทายาธรรมนี่ เครื่องอทํานี่สี่ข้อแรกใช่ไหมสะอาดปราณีให้วัตถุหรือให้ทานที่เหมาะสมแล้วก็ให้ถูกต้องตรงตามการใช่ไหมเหมาะสมกับเวลาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของของประการที่ห้าก็เป็นเรื่องของผู้รับใช่ไหมถือเลือกให้ส่วนหกให้เดียงนิดดีใจนะมีความผ่องใสมีความดีใจมีจิตผ่องใสในขณะให้ให้ไปแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกดีใจที่ได้ให้ อันนี้เป็นเรื่องของผู้ให้เป็นเรื่องเจตนาของผู้ให้เรื่องเดียวกันใช่ไหมอันนี้พระพุทธเจ้าเวลากล่าวในพระสูตรที่แตกต่างกันท่านอาจจะมีวิธีการแบ่งแล้วก็แง่มุมที่กล่าวนี้แตกต่างกันออกไปนะอันนี้ก็เป็นทานสูตรเราเรียกว่าสัตบุริสูตรการให้แบบสัตตบรุษนะว่าการให้แบบสัตตบรุษการให้ที่จะเกิดอริสง์มากนั้นคือการให้ที่มีลักษณะอย่างไรอมีข้อสงสยัยไหมไม่มีนะ อ้าวถ้าอย่างนั้นเรามาดูในรายละเอียดอีกนิดหนึ่งนะพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่าตรัสไว้ในที่นี้จะมามุ่งเน้นในเรื่องของผู้ให้ลนะมามุ่งเน้นในแง่ของผู้ให้ในเรื่องนี้ท่านมีกล่าวถึงไว้อย่างนี้การให้ที่ประกอบด้วยองค์หกนะการให้ที่ประกอบด้วยองค์หนั้นมีอะไรบ้างนะเรื่องนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านอยู่ประทับอยู่ที่พระเชตวันที่อนาถบินติกะเศรษฐีได้ถวายในครั้งนั้นก็มีมารดาของพระนัน t h เราเรียกว่านันท h มานดานันถ้ามานดานั้นเป็นชาวเมืองเวลุกันนะได้เอาของคือเอาข้าวปลาอาหารมาถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์ โดยมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประธานสงฆ์นั้นถ้ามารดานั้นได้น้อมของถวายนั้นในขณะที่นางน้อมของถวายนั้นพระพุทธเจ้าท่านสามารถยังรู้จิตของนางได้ท่านเห็นว่าในขณะที่ยศนางน้อมของถวายนั้นจิตใจนางเลื่อมใสมีความเรื่อมใสตั้งแต่ก่อนให้ขณะให้แม้ให้ไปแล้วจิตใจก็ยังเลื่อมใส พร้อมกันนั้นผู้รับนั้นก็เป็นผู้ที่มีโลภะโทสะโมหะเบาบางหรือแทบหรือไม่มีเลยอย่างพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะคือเป็นผู้ที่ไม่มีราคะโทสะโมหะเลยคือปราศจากกิเลสแล้วพระพุทธเจ้าท่านยังเห็นวาราจิตอย่างนั้นท่านจึงตรัดกับพิสุทธ์ทั้งหลายว่าให้ดูนันทามานดานี้เถิดการให้ของนางนั้นมีอานิสงส์มากมีอานิสงส์มากมีประโยชน์มากเพราะอะไรท่านบอกว่า การให้ที่ประกอบด้วยองค์หกเหล่านี้ย่อมมีอนิสง์มากมีประโยชน์มากองหกมีอะไรบ้างหนึ่งผู้ให้เองก่อนให้ก่อนให้นั้นมีจิตมีความดีใจมีความดีใจว่าจะได้ทำคุณงามความดีมีความดีใจว่าเราจะได้เสียสละเราจะได้ชักนำทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นในสังคมมีความดีใจมีความภูมิใจมีความอิ่มใจตั้งแต่ก่อนให้ตั้งแต่นางจัดเข้าของ เราเรียกว่าเจตนาก่อนให้หรือปุพพะเจตนาภาษาธรรมะเรียกวปุพพเจตนาท่านก่อนให้อย่างโดยเฉพาะเมื่อยอมในวันยมจะได้จะเอาของไปให้หรือยมจะได้บริจาคยมจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นยมมีความดีใจว่าเราจะได้ทําคุณงามความดีอย่างนี้ตอนนั้นจิตใจยมเป็นยังไงเอ่ยมีความสุขผ่องใสนั่นแหละบุญกุศลเริ่มเกิดขึ้นแล้นี่เราเรียกปุพพะเจตนาแม้ขณะจัดของ เรารู้สึกมีความสุขว่าของนี้เราจะได้เอาไปให้เขาขณะนั้นแหละบุญกุศลเกิดขึ้นล้วจิตใจตอนนั้นยมผ่องใสและ้ะนี่คือเจตนาก่อนให้ซึ่งนันทมันดามีอาการอย่างนี้อย่างที่สองในขณะให้ก็มีความเลื่อมใสมีความเลื่อมใสในคุณงามความดีแล้วก็มีศรัทธาว่าการให้นี้จะก่อให้เกิดประโยชน์เกี่ยกูลต่อพระศาสนาต่อส่วนรวม หรือแม้แก่แต่กระทั่งต่อผู้รับในขณะที่เรามีความดนดีมีความเลื่อมใสยอย่างนี้จิตใจเราเป็นยังไงเอ่ยขณะให้มีความสุขนี่องค์ประกอบที่สองภาษาธรรมะเราเรียกว่ามุนชนะเจตนาคือเจตนาขณะให้เพราะในขณะที่โยมให้ของเนี่ยพยายามตั้งเจตนาไว้ยอย่างนีนะ้ประการที่สามเมื่อให้ไปแล้วนะ มีความดีใจมีความภูมิใจมีความอิ่มใจในสิ่งที่ดีงามที่นางได้ทำภาษาธรรมะเราเรียกว่าอปรัเจตนาแม้ให้เสร็จแล้วใจก็ยังรู้สึกดีใจยังรู้สึกอิ่มใจยังรู้สึกภูมิใจในการให้ในการเสียสละของนางเราเรียกว่าอปรัเจตนานี่คือองค์สามอย่างแรกองค์สามอย่างนี้ก็คือมองในแง่ของผู้ให คืทายกหรทายิกาองสามอย่างที่สนะองนะองสามอย่างที่สองนั้นได้แก่ในแง่ของผู้รับซึ่งในขณะที่นันทมาดาให้นั้นให้กับพระพิสุสงฆ์ซึ่งมีภาษารรบุลและพระโมคคานะเป็นประธานพิสุสงฆ์เหล่านั้นเป็นผู้ที่ปราศจากโลภโทสะและโมหะแล้ว เนื่องจากพิสูจสงเหล่านั้นปราศจากโลภะโทสะโมหะแล้วท่านบอกว่านี่คือองค์ที่สามคือหนึ่งผู้รับปราศจากโลภะสองผู้รับปราศจากโทสะสผู้รับปราศจากโมหะนี่คืออีกองค์สามในแง่ของผู้รับมื่นท่ามันดาให้กับบุคคลผู้ประเสริฐเช่นนี้นางเองมีเจตนาที่ดีงามสามประการเช่นนี้ พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสรรเสริญว่าการให้ของนางนั้นมีอานิสงฆ์มากมีประโยชน์มากประโยชน์มากอย่างไรท่านบอกว่าอานิสงฆ์นั้นมากมายไม่นับไม่ได้เปรียบเหมือนน้ําในทะเลเราจะมาตัวมาวัดว่ามีขนาดเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้ทานของนางนั้นแม้ทําเพียงแค่นั้นก็ย่อมมีประโยชน์มากมีอานิสงฆ์มากเช่นนั้นเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแม้เสียเงินเท่ากันให้ของอย่างเดียวกันแต่ถ้าเรามีปัญญาในการพิจารณาแล้วประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและประโยชน์ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้วัดกันที่มูลค่าของขอ ง, ของที่จะให้อยู่ที่ผู้รับของนั้นเหมาะสมหรือไม่และผู้ให้นั้นตั้งเจตนาไว้อย่างไร อันน้ส่งหรือประโยชน์จะเกิดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตรงนี้เพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ในสัพพุริษสุที่อาตมากล่าวถึงมเมื่อก่อนนี้ว่าสัพพบรุษย่อมให้ทานคือข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตามการสมควรเนื่องนิดในผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นเขตดีบริจาคของมากแล้ว ก็ไม่รู้สึกเสียดายท่านผู้มีปัญญาเห็นแล้วย่อมสรรเสริญทานที่สัป ป, ป, ปรุรุษให้แล้วอย่างนี้เมทาวีบัณฑิตผู้มีศรัทธามีใจอันสงบแล้วบริจาคทานอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนและเป็นสุขนี่คือพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในการให้หรือในการให้ทานนั่นเอง เพราะฉะนั้นให้เป็นหลักสำหรับโยมนะต่อไปเมื่อโยมบริจาคหรือให้ทานในครั้งใดขอให้นําหลักนี้มาคิดไตร่ตรองไว้เสมอคิดไตรตรองให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะให้ตั้งเจตนาให้ดีแล้วก็ดูของนั้นให้เหมาะสมกับผู้รับด้วยนั่นแหละจึงจะเรียกว่าการให้ของโยมมีประโยชน์และมีอนิสงส์มากอย่างแท้จริงอ้าวมีคําถามไหมเอ่ย ไม่มีคำถามนะถ้าไม่มีคำถามอาตมาจะ ก, กล่าวถึงอานิสงส์และประโยชน์ของการให้ทานละนะมาในทานนิสังสสูตรนะคือประโยชน์หรืออานิสงส์ของการให้ทานนะอานิสงส์ของการให้ทานมีอะไรบ้างพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าท่านเป็นคนตรัสเองนะท่านบอกว่าผู้ให้ทานผู้บริจาคนะผู้ที่ให้เป็นหนึ่งนิด นะย่อมมีอานิสองส์อย่างนี้หนึ่งเป็นที่รักของชนหมู่มากนะยมลองสังเกตเองก็แล้วกันยอมไปไหนมาไหนซื้อของมาฝากเพื่อนหรือฝากที่ทํางานหรือแม้แต่กระทั่งครอบครัวเป็นยังไงเอ่ยเขาย่อมดีใจและเราย่อมเป็นที่รักของเขานี่อานิสงส์ประการที่หนึ่งประการที่สองศัพปบุรุษผู้สงบย่อมคบหา เพราะว่าที่คบหานั้นไม่ใช่เพราะหวังของเราแต่เพราะว่าเห็นว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีงามนะท่านจึงกล่าวว่าสัตประหลุดย่อมคบหาประการที่สามกิติศัพท์อันงามย่อมขจรไปทั่วเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําดีมีน้ําจิตน้ําใจไปที่ไหนก็ย่อมมีแต่คนยกย่องและชมเชยในความมีน้าจิตน้ําใจของเรานะนี่คืออันที่สอประการที่สามประการที่สี่ ไม่เหินห่างจากธรรมของคฤริหัดเพราะอะไรจึงไม่เหินห่างจากธรรมของคฤริหัดเพราะการให้นั้นเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่คฤริหัดพึงปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งเพราะบุคคลผู้มีจิตใจดีงามอย่างนี้ย่อมมีคนมาอยากบอกอยากสอนอยากชี้นำและแนะนาสิ่งที่ดีงามให้จึงเรียกว่าไม่เหินห่างจากธรรมของคฤริหัดอาตมายกตัวอยอย่างง่ายๆเช่น ถ้าปกติโยมตอนเช้ามีปกติในการให้ให้ในที่นี้ก็คือตักบาตรอย่างแรกโยมได้ทำบุญอย่างที่สองโยมจะมีความคุ้นเคยกับพระที่มารับบาตรเป็นประจำใช่ไหมท่านย่อมบอกท่านย่อมสอนในธรรมต่างๆให้กับโยมเห็นมเนี่ยไม่ย่อมไม่ ห, ห่างจากธรรมของคาริหัดและประการที่ห้าถ้าบุคคลมีปปกติในการให้ อย่างนี้อยู่ตลอดจนกระทั่งกลายเป็นนิสยัยเวลาเขาอยู่เฉยๆเป็นยังไงเอ่ยเขาก็จะนึกถึงสิ่งที่ดีงามและบุญกุศลที่เขาได้ทําหากเขาตายไปด้วยจิตเช่นนั้นเมื่อตายไปจิตใจเขาย่อมผ่องใสจิตที่ผ่องใสยอย่างนั้นนั่นแหละจะทําให้เขาไปสู่สุคติโลกสวรรค์ท่านจึงบอกว่าอั น, นิสส์ประการที่ห้าตายไปย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ พระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้ว่าผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมากชื่อว่าดำเนินตามธรรมของสัพปะบุรุษสัพปะบุรุษผู้สงบผู้สำรวมอินทรีย์ย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อสัพปะบุรุษเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเป็นที่บรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขาเมื่อได้ทราบชัดแล้วย่อมเป็นผู้ หาอาสะวะไม่ได้ปริญิพานในโลกนี้นี่คืออานิสงค์ของการที่เราเป็นผู้ให้อยู่เป็นประจำเป็นผู้มีจิตคิดเสียสละเป็นผู้มีจิตคิดให้อันนี้คือคอานิสงค์ของการให้ทาน ม, มีทั้งหมดห้าประการด้วยกันอา่าโยมมีข้อสงสัยตรงไหนไหมมันการให้นั้นไม่ได้จำกัดเพียงแค่ว่าเอามาให้กับพระนะ เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งยมอยู่ที่บ้านยมให้ได้ใช่ไหมตื่นเช้ามาเจอหน้ากันให้ได้ไหมให้อะไรอย่างน้อยให้อะไรให้รอยยิ้มใช่ไหมให้ความปรารถนาดียมให้ได้แล้วใช่ไหมใช่ให้คำบอกให้คำสอนให้คำแนะนำให้คำตักเตือนยมให้ได้แล้วไม่ต้องเสียเงินใช่ไหมลูกจะไปโรงเรียนเราให้ค่าขนมลูกอย่าไปมองว่าเป็นพาระ ให้ตั้งเจตนาเสียใหม่ว่าเราให้สิ่งของเหล่านี้หรือเราให้เงินเหล่านี้กับลูกเขาจะได้เอาไปใช้แล้วก็เขาจะได้เอาไปเลี้ยงตัวเองเอาไปสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อไปการให้ของโยมแม้ให้กับลูกอย่างนั้นก็กลายเป็นการทำบุญไปในตัวเลยใช่ไหมใช่เหมือนกันทำหน้าที่การงานอย่าทำหน้าที่การงานเพราะหวังจะได้เงินโยมสามารถทาหน้าที่การงานให้การงานนั้นเป็นการบริจาคทานได้ ด้วยการตั้งเจตนาเสียใหม่ว่าเราทําหน้าที่การการงานนั้นเพื่อให้ตอบแทนกับสังคมให้กับบริษัทให้กับเพื่อนร่วมงานหรือให้โอกาสคนอื่นๆได้มีหน้าที่หรือมีงานทําหรือมีเงินไปเลี้ยงครอบครัวโยมทํางานด้วยเจตนาด้วยจิตใจอย่างนี้เป็นยังไงเอง่ยพองสายอิม่มเอิบนั่นแหละโยมกําลังทําบุญนั่นแหละโยมกําลังให้ทานเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาแนวคิดตะวันตกนะ อันนี้เน้นย้าเลยนะแต่วันตกนี่ทํางานฉันต้องได้ผลตอบแทนสูงๆต้องได้ตําแหน่งสูงๆนั่นคือโลภะนะแล้วยมทํางานอย่างนั้นะเครียดตายเลยลองสังเกตดูก็ได้ถ้าอยากได้เมื่อไหร่นายมจะอึดอัดมันจะต้องเอาให้ได้มันจะเครียดแต่ถ้ายมอยากให้จากความรู้ความสามารถที่มีนั้นจะให้กับสังคมให้กับลูกค้าให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับองค์กรหรือแม้กระทั่งให้กับสังคมโดยส่วนรวมขณะที่โยมทำนั้นใจยมกลับ ผ่องสายแล้วมันจะมีความสุขทุกครั้งในขณะที่เราทำงานเลยนี่ก็คือทานอย่างหนึ่งใช่ไ้ยใช่ทำให้มากเจริญให้มากในเรื่องของการให้และการแบ่งปันอย่างนี้แหละนะดังการให้นั้นแบ่งออกเป็นสี่อย่างวัตถุที่สงเคราะห์ในสังขาวัตถุสี่ก็มีอะไรเอ่ยทานให้ด้วยสิ่งของให้ด้วยคำพูดคือปิยวาจาให้ด้วยแรงกายคืออัตจริยา และให้สมกับฐานะก็คือสมานตะต า, ตานั่นก็เป็นการให้สี่อย่างที่โยมพึงปฏิบัติไว้เป็นประจำเช่นเดียวกันงั้นคนไทยอย่าไปติดกับแค่วัตถุนะจาไว้การให้นั้นไม่ได้จํากัดเพียงแค่วัตถุและในอีกพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้การให้อีกแบบหนึ่งนะการให้อีกแบบหนึ่งการให้อย่างนี้มีลักษณะทั้งหมดแปดอย่างด้วยกัน ซึ่งจะเป็นหัวข้อที่อาตมาตจะตรัสถึงจะจะกล่าวถึงต่อไปเป็นหัวข้อที่พระพุทธเจ้าท่านจัดไว้ท่านบอกว่าเป็นการให้ที่ประเสริฐเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการเล่นคําอย่างหนึง่งท่านบอกว่าการให้ที่ประเสริฐอีกแปดอย่างมีอะไรหนึ่งบุคคลผู้ให้ความศรัทธาผู้มีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าศรัทธาในคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าได้ทําให้กับชาวโลก ศรัทธาในคุณงามความดีในพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัรพสัตวศรัทธาในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ยังรู้ถึงความจริงธรงธรมชาติและพ้นจากความทุกข์ได้บุคคลผู้มีศรัทธาอย่างนี้เนี่ยแหละเรียกว่าเป็นการให้อย่างประเสริฐอย่างที่หนึ่งให้ความเคารพให้ความเชื่อมั่นและให้มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าให้อย่างที่สองคือให้ความเคารพ มีศรัทธาในพระธรรมคือคำสอนของพระเจ้าในความดีงามในสิ่งที่ดีงามนี่ก็ถือเป็นการให้ในขณะที่โย ม, มกำลังมีศรัทธาในสิ่งเหล่านี้ให้อย่างที่สามคือบุคคลมีความเคารพมีศรัทธาในพระสงฆ์ในขณะนั้นก็ถือว่าโยมกำลังมีการให้เช่นเดียวกันให้ความเคารพให้ความเลื่อมใสประการที่สี่ บุคคลมีศรัทธามีความเลื่อมใสจึงละเว้นจากการทำปานาติบาตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนผู้อื่นเห็นว่าการเบียดเบียนนั้นเป็นการจองเวนเป็นการก่อเวจรจึงไม่ปรารถนาคิดก่อเวรจองเวรกับผู้อื่นด้วยการทำร้ายเขาหรือฆ่าเขาการที่เราไม่ฆ่าสัตว์ มีจิตชิดเลือดเอ็นดูอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นการให้ประการที่สี่นี่เป็นการให้ที่ประเสริฐให้ประการที่ห้าคือบุคคลไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ถือเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของของตัวเห็นว่าการทําเช่นนั้นเป็นการก่อเวรและเห็นว่าการที่เราไม่ลักทรัพย์แต่มีความซื่อสัตย์สจริตในการทำให้การงานนั้นเป็นสิ่งที่ดีนี่ก็เป็นการให้ที่ประเสริฐประการที่ห อ่าสามสี่ห้าขอภผยประการที่ห้าประการที่หบุคคลไม่ล่วงละเมิดลูกเมียของผู้อื่นมีความซื่อสัตย์สุจริตในคู่ครองในสามีภรรยาของตนเองเพราะเห็นว่าการทําเช่นการไปล่วงละเมิดลูกเมียของผู้อื่นนั้นเป็นการก่อเวรแต่การที่เรามีความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามนี่ก็เป็นการให้ประการที่ประเสริฐอีกประการหนึ่ง นี่เป็นประการที่หกแล้วนะประการที่เจ็ดบุคคลพิจารณาเห็นว่าการพูดโกหกการพูดปดเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นการเบียดเบียนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายทาให้จิตใจเศร้าหมองและเป็นการก่อเวรบุคคลไม่พูดปดพูดแต่คำสัต์คำที่เป็นประโยชน์นี่ก็เป็นการให้ที่ประเสริฐอีกประการหนึ่งเป็นประการที่เจ็ดประการที่แปด บุคคลเห็นว่าการดื่มสุราและของมึนเมาอันเป็นเหตุให้ขาดสตินั้นเป็นการก่อเวรเป็นสิ่งที่ไม่ดีย่อมละเว้นไม่ดื่มสุราไม่เสพสิ่งเสพติดดารงตนให้มีสติอยู่ตลอดเวลานี่เป็นการให้ประเสริฐอย่างที่แตอันนี้คือการให้ประเสริฐสูงขึ้นมากว่าตัววัตถุคือการที่เรามีศรัทธานในพระนัตนตรัรยและการที่เรารักษาศีลนั่นเอง นี่ก็เป็นทานอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะอันนี้มีมาในพระสูตรเช่นเดียวกันทานอย่างนี้มาประพฤติปฏิบัติมาให้ที่ตัวของเราและเป็นการให้หรือเป็นการสละอะไรเอ่ยสละสิ่งที่ไม่ไดีออกไปจากพฤติกรรมแล้วก็จากจิตใจของเราต้องเสียเงินไหมไม่ต้องเสียเงินทำได้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นการให้ที่ประเสริฐบุคคลให้อย่างนี้อย่างบอยู่อย่างบ่อย เขาย่อมเจริญงอกงามในบุญกุศลและคุณงามความดีอ้าวนะอาตมาได้สรุปในเรื่องของทานเสียยืดยาวจะได้ให้เห็นในแง่มุมต่างๆของการให้แล้วก็วางท่าทีปฏิบัติได้ถูกเพราะว่าคนไทยนั้นส่วนใหญ่พอพูดถึงการให้มักนึกถึงเพียงแค่การให้วัตถุซึ่งการให้วัตถุนั้นมีอนิสงส์น้อยนะน้อยกว่าการที่เรามีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยและน้อยกว่าการที่เรารักษาศีล น้อยกว่าการเจริญภาวนาอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นอย่าติดอยู่เพียงแค่การให้ของวัตถุแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าละเลยในเรื่องของการให้วัตถุด้วยนะไม่ใช่บอกอานิสงส์น้อยฉันไม่ทํานะแต่ว่าไม่ว่าอานิสงส์จะมากน้อยแตกต่างกันอย่างไรถ้าเราได้ทํามีอานิสงส์ทั้งสิ้นถ้าทําได้ทั้งหมดจึงมีประโยชน์ต่อตัวเรามากเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเรามากเช่นเดียวกัน มีคำถามอะไรไหมเอ่ยวันนี้ไม่มีนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการให้ทานก็คิดว่าคงจะสรุปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคงสรุปไว้แต่เพียงเท่านี้คราวหน้าอาตมาจะมาพูดเปรียบเทียบให้ฟังในเรื่องของการให้ทานการที่มีศรัทธานในรัตนตรัยการรักษาศีลและการเจริญภาวนาว่ามีประโยชน์แตกต่างกันอย่างไร ทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าการให้ทานนั้นอนิสงส์น้อยที่สุดน้อยกว่าการที่มีศรัทธาในรัตนไตรการมีศ ร, ร, ร, รัทธาใ น, ในารัตนตรนนนยังน้อยกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอนิสงส์ในที่นี้คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นยังน้อยกว่าการเจริญจิตตภาวนาการเจริญจิตตภาวนาอนิสง์หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นยังน้อยกว่าการเจริญปัญญาภาวนาไปสู่ความอุดพ้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อ ในวันเสาร์หน้านะในหัวข้อนี้ในประเด็นนี้ฉะนันคนไทยต้องเข้าใจให้ถูกนะแล้วก็เลือกทําให้ครบนะเลือกทาสิ่งที่เป็นประโยชน์และเกื้อกูลกับเราให้มากที่สุดนั่นแหละความเจริญงอกงามและคุณงามความดีความสุขที่แท้จริงจึงจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะเอานะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรจะเวลานะก็คงจะขอจบในเรื่องของการนําปฏิบัติและการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ เพราะฉะนั้นยมอย่าลืมนะไปเจริญเมตตากรรมฐานให้เยอะๆเดี๋ยวคร า, า, าวหน้าวันเสาร์หน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าอานิสงส์ของเมตตากรรมฐานนี้ถ้าเทียบกับการให้ทานท่านเปรียบเทียบเนี่ยมันต่างกันยังไงนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอาพระสูตรเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเล่าให้ฟัง